นี่จะพูดถึงเรื่องเรื่องกรรมฐานเป็นธรรมโอสถกรรมฐานเป็นธรรมโอสถรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ในยานที่เราป่วยไขย้สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือทุกขเวทนาที่ลุมแล้วทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนี่เป็นเรื่องธรรมดา ทุกขเวทนาทางกายนี่ก็เรื่องความเจ็บปวดส่วนเรื่องทุกขเวทนาทางจิตก็คือระบบความคิดความมิตตกังวลความกลัวต่างๆอันนี้เป็นทุกขเวทนาทางจิตก็มี2ออยา่างทุกทางกายและก็ทุกทางจิตทุกขเวทนาทางกายคือความเจ็บปวดเนี่ยเราสามารถ ที่จะเยียวยารักษาให้มันทุเราเบาบางลงได้บางทีมันก็ไม่หายบางทีมันก็หายเหมือนกันนะในความเจ็บปวดเรื่องของร่างกายเนี่ยแต่ทุกขเวทนาทางจิตเรื่องความคิดเรื่องความวิตกกังวลเรื่องความกลัวต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะบำบัดให้มันหายไปจากจิตจากใจได้นี่เรามาพูดถึงเรื่องทุกขเวทนาทางกายก่อน ไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยหังจากที่เราเยียวยารักษาแล้วบางทีมันไม่หายเราจำเป็นต้องใช้กรรมฐานเนี่ยเป็นการทําให้ร่างกายที่มีความเจ็บปวดเนี่ยทุเลาบาบางลงไปต่อสายกรรมฐานวิธีการที่จะเอากรรมฐานมาจัดการกับทุกทางกายเนี่ยก็คือเรื่องของสติอะ เวลาเกิดความเจ็บปวดพระร่างกายเกิดขึ้นให้เรามีสติรู้ทันแล้วก็รู้จักยอมรับเอาใจรู้จักยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นยินดีที่จะอยู่กับความเจ็บปวดแบบเต็มใจแบบไม่ต่อต้านเพียงแค่เราไม่ต่อต้านทุกเวทนา คือความเจ็บปวดทาร่างกายเนี่ยเนี่ยระวังใจไว้ว่าหายก็หายไม่หายก็ไม่เป็นไรรู้สึกยอมรับแล้วก็ยินดีที่จะอยู่กับทุกข์ทางกายมันมีส่วนช่วยทำให้จิตใจเนี่ยมันสงบมันเป็นปกติมันไม่วิตกกังวลมันเกิดความกล้าหาญช่วยจะให้สงบลงได้ เมื่อใจสงบลงแล้วความเจ็บปวดมันก็ทุเลาเบาบางลงไปเองบางทีไม่ต้องอาศัยยารักษาก็ได้เพราะฉะนั้นกรรมฐานเนี่ยถือว่าเป็นธรรมโอสถ ร, รักษาจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ได้